สมเนจรแล ะ, จะเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านตั้งใจฟังเมื่อธรรมะเศร้าจบแล้วก็มาแน่แนววิธีปฏิบัติโืยครทบทวนควมมู้ที่เรามาปฏิบัติธรรมให้พวกเราได้เข้าใจการปฏิบัติธรรม ที่ให้เรารู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั้นไม่ได้รู้มากมายอย่างที่เราคิดว่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าต้องรู้มากๆรู้เม็ดเห็นเม็ดสายในท้องมหาสมุทรทเลนั้นหรือรู้จิตใจของคนหรือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ไม่ได้รู้อย่างนั้นหรอกรู้เฉพาะแต่ว่าแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มันทุกเกิดขึ้นนี่เปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้อันนี้อันรู้เม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลนั้นครบทุกเม็ดถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ควมรู้อันนั้นก็ดีแต่มันใส่ประโยชน์กับชีวิตของเราไม่ได้ผล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 ทุกคนเกิดมาและไม่ต้องการความทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราลืมตัวเราเท่านั้นเองจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้การเคลื่อนการไหวทันบอกสันส้นๆรวบรัดเอาไว้ว่าให้มีสติรู้ในอริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอน และให้มีสติรู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้รู้ในตัวเราทนนี้เองทำไมว่าสอนให้รู้อย่างนั้นเพราะว่าในอริยาบถ ท, ทุกประเภทแม้จะเป็นคนสวยรวยทรัพย์ก็มีอริยาบถเหมือนกันคนยากจนก็มีอริยาบถเหมือนกันแม้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ ก็มีเรียบทุกเหมือนกันเป็นผู้มีความรู้มากก็มีเรียบทอันนี้เหมือนกันเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ก็มีเรียบทอันนี้เหมือนกันจึงสอนให้รู้ของจริงมีเหมือนกันมีลมหายใจเขาออกเหมือนกันแม้ไม่เฉพาะแต่คนสัตว์เดรัจฉานก็มีเหมือนกันเป็นอย่างนั้นจึงสอนให้รู้อันนี้อันนี้มันเป็นของจริง จริงทุกคนกว่าในเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวไปมามันเป็นทุกข์ท่านพจนสอนให้เห็นทุกข์อันนี้เมื่อเห็นทุกข์อันนี้แล้วก็เห็นทุกข์ภายในะทางจิตใจมันนึกมันคิดควรคิดมันเป็นทุกข์เพราะเขาไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่อยากทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำยังไงมันพัฒนาไม่ได้ร่างกายนี้ มันเป็นไปตามธรรมชาติแม่สัตว์ก็ตายเป็นคนก็ตายเป็นต้นไม้ก็ตายเป็นแม้ทุกสิ่งทุกอย่างตายเป็นเป็นเรื่องจิตใจนนเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ถึงจิตใจการรู้เรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนรู้ได้เรื่องนี้ แม้จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุ น, นก็รู้ได้เหมือนกันเป็นคนรวยก็รู้ได้เหมือนกันเป็นคนจนก็รู้ได้เหมือนกันคนที่เรียนหนังสือก็รู้ได้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็รู้ได้เรื่องจิตใจเพราะมันมีในคนทุกคนจังะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องจิตใจให้รู้สองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงรัดลัฐอันนี้บัดนี้เมื่อรู้สองเรื่องนี้แล้วขึ้นไปละ รู้มากเข้ามากเข้ามากเข้าถ้าเป็นการทบทวนอารมณ์ก็เร <cle anse meinen> ียกว่า <trying> ร <to compare ğimiz> ู้รูปลู่น้ำรู้รูปลู่น้ำนะครับรูรูปทำรูน้ำทำรูปอันนี้มันทำและใจก็ามเรียกว่ารูปทำน้ำทำรูปโลกน้ำโลกรูปอันนี้เกิดขึ้นมาก็เป็นโลกใจก็ไม่สบายแบบนี้รูปโลกน้ำโลกอีกอย่างหนึ่งคือรูป รถสบายแต่จิตใจมันคิดพอใจไม่พอใจอันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกอันนี้อันนี้เป็นการทบทวนอารมณ์รู้อย่างนี้เมื่อจิตใจเป็นโลกนะครับมีทุกั น, นี่ว่าทุกขังทุกขังมันติดอยู่กับรูปอันนี้อันนี้จังมันไม่เที่ยงมันเปลีย่ยนแปลงไป อ, ไปอนัตตาบังคับบัญชามา ไ, มได้มันเป็นไปตามาธรรมชาติจึงพัฒนาไม่ได้อันนี้ชื่อว่า ส่วนจิตใจนั้นพัฒนาได้รู้จักภกขังอนิจจังอนัตตาอันนี้แล้วก็รู้จักสมมุติส่วนที่สมมุติผีสมมุติเทวดาเรียกว่าสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาหวยนน้องคลองบึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสมมติขึ้นรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วรู่สิ่งที่เป็นสมมติ อย่างที่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าเป็นอันไดก็ตามแหละเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนก็ตามอันนี้เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติบัญญัตินัเป็นปรมัตดอยู่ที่ไหนปรมัตดก็มีอยู่ไหนนั้นคือว่าเราเลื่อนสั้นกันขึ้นมาเลื่อนสั้นทางจิตใจอันนี้เราเลื่อนสั้นกันเลื่อนสั้นด้วยควมรู้เราเป็นเรียนแล้วก็สอบลายได้แล้วก็เลื่อนสั้นให้กันเป็นเจ้าขุน หรือเป็นพระคูเป็นอะไรไเนี่ยบัดนี้คัน้าเป็นทางข้าราชการก็ต้องเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นจิตกีสิบโทสิบเอกเป็นนายร้อยนายพันเรือนสั้นทางนี้อันนี้มันเป็นทางสมมตุติแต่เรื่องทางปรัมมาดังเรือนสั้นทางจิตใจเรือนสั้นทางขมรู้แต่ไม่ใช่รู้ที่อื่นนะไม่ใช่รู้ม่ดหินเม็ดใสเรือนสั้นในคมรู้ทุก นี่เรียกว่าสมมุติบัญญัติปารามัดบัญญัติปรมัตดแปลว่าของจงริงแต่ว่าสมมุติคือว่าตำรวจทหารผู้ใหญ่บ้านกำนันครู10กีสิบโท10เอกเนี่ยเป็นสมมุติแต่บัญญัติขึ้นก็เรียกว่าเป็นสมมุติบัญญัติก็เป็นปรมัตดในตัวมันเพราะจริงโดยสมมุตินี่ว่าสมมุติบัญญัติปารามัตดบัญญัติที่แรกเขาไม่รู้เรื่องรูปนามนี่ บัด น, นี้เรามาทําความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเกิดปัญญาเลื่อนสันขึ้นมารู้เรื่องรูปนามเนี่ขึ้นมาเรื่องสมมุติขึ้นมาเนี่ยเลื่อนสันทางปรามัติอันนี้เกี่ยวปรามาตรัติบัญญัติอัฏฐบัญญัติเรียกว่าลึกลับซับซ้อนยากบุคคลที่จะรู้เรียกว่า อ, อัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติเพื่อนวัย จัดเป็นอริยบุคคลอันนี้พูนว่าอริยบุคคลนีอาลิแปลว่าฆ่าศึกงะแปลพ้นไปพ้นไปจากความทุกข์เห็นว่าอย่างนี้นเป็นการเลื่อนสั้นทางปัญญาไม่ใช่ปัญญามีเจีย ก, การศึกษาเล่าเรียนจากตำรับตำราอันรู้จักไปอย่ า, ายงสิทธิวสมมุติบัญญัติปรมัตตบัญญัติอัถฐบัญญัติไปอย่างนั้นวันนี้เมื่อรู้จักสมมุติดีแล้วก็รู้จักศาสนา ตามอารมณ์ที่หลวงพ่อรู้มาศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้สอนคนสอนเข้าให้ตาเห็นดูตาเห็นหูฟังแล้วก็สอนการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้คนละจากการทําชั่วเนธทําดีเนี่ ย, ยตั้งอยู่ในความดีเลิกละจากการทําชั่วอันนี้เรียกว่าศาสนา ยังไม่เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาวันนี้ตัวเรือนสันคือตัวเรารู้เองพุทธจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบาาด้วยธรรมศาสนากระแปลวะทีพึ่งบางคนสอนให้พึ่งผีสอนให้พึ่งเทวดาเลือกงามงามดีเสียเคสเสียเข็นอันนั้นเรียกว่าศาสนาสอนให้ละซัวทำดี ถ้าศาสนาไม่ต้องพึ่งใครจึงพุท ธ, ธจึงมาแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมน่ศาสนาเปรวทีพึง่งเราพึ่งอันใดเราพึ่งได้จริงไหมถ้าพึ่งได้จริงก็เรียกเป็นพุท ธ, ธาศาสนาถ้าพึ่งได้พอสูวคู่สูข่าวเรียกว่าศา <c oughs> สนาศาสนาจริงแปลวทีพึ่งพุทธศาสนาเปลวทีพึ่งได้จริง พึ่งแล้วก็ไม่งอ่แง่นหอนแขนที่ว่ามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันอันนี้เดียวพุทธศาสนามันสลับซับซ้อนที่ว่ามันสลับซับซ้อนเจียวลึกซึ้งขวมมู้อันนี้แปลว่าเรีอนสันขึ้นไปตามขั้นตอนขึ้นไปเมื่อรู้พุทธศาสนาดีแล้วก็รู้บาบรู้บุญบาบก็คือมืดคือไม่รู้นั่นเอง บุญก็คือสว่างทางจิตใจคือรู้รู้แล้วก็ดีใจไม่ทุกข์อันนี้เป็นเริมแรลกเบื้องต้นการพัฒนาทางจิตใจอันนี้เรียกว่าพัฒนารูปนามบัด น, นี้เมื่อรู้อันนี้แล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมามันเป็นอุปสรรคอันนี้พูดให้ฟังตามความจริงเรียกว่าวิปัสณูอุปกิเลสสิบหประการ ลุนแกแต่จะพูดแหละเนี่ยตามตำราพูดไว้แต่มันเป็นปรีติมันเลยดีใจลักษณะดีใจอันนี้ไม่เป็นลักษณะใจดีดีใจว่าตัวรู้อันนั้นรู้อันนี้แต่มันมีมิทิฏฐิในตัวเป็นมานะในตัวคือมันอยากพูดอยากสอนอยากพูดอยากคุยเนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา เราเลิกอย่าไปติดตพอดีมันคิดเราต้องมาทำความรู้สึกตัวเดี๋ยวมีสติให้เรามารู้สึกตัวมันก็วางความรู้อันนั้นเมื่อมันวางความรู้อันนั้นเราก็รู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวให้มากขึ้นมากขึ้นหลวงพ่อเคยสมมุติให้ฟังเหมือนแมวกับหนูทีแรกนั้นนะ่ะหนูมันตัวอ้วนตัวโตแมวมันตัวเล็กเล็กเพราะมันรู้น้อย รูเรื่องรูปนามเป็นขมรูอย่างน้อยเร่ยมแนวตัวน้อยบาดเนี้อขมรูมันมากขึ้นมันแรงมันดึงไปดึงขมรูไปดึงตัวรู้สึกตัวสติตัวขมรูนี่ดึงเข้าไปในขมรูอันนั้นมันเลยเข้าไปในขมรูอันนั้นเราจึงมาทำขมรูสึกตัวพี่ให้มันนีจากขมรูอันนั้นให้มาอยู่กับขมรูสึกตัวอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาไปในตัวของมัน มันเป็นการแก้ตัวมันใจเองมันเมื่อเรารู้สึกตัว น, นี้ความรู้อันนั้นมันก็เลยหยุดมารู้สึกตัวอันนี้ความรู้อันนึนเข้าไปในความรู้มันก็เลยหยุดอันนี้สมมติว่าเอาอาหารให้แมวกินแมวมันอ้วนขึ้นมาพอดีมีความรู้สึกอดีรมากขึ้นมากขึ้นพอดำมันคิดปุ๊บเราก็เห็นปั๊บหยุดได้ทันทีอันนี้แสดงว่าแมวมีกาลัง หนูมันน้อยลงหรือมันอ้วนตามมันอ้วนมันพีก็ตามมันแต่แมวมันมีกําลังมากพอดีมันคิดปุ๊บแมวมันจับปั๊บทันทีเนี่ยเป็นอย่างนั้นพอดีมันคิดปุ๊บมันจับปั๊บเราก็มาดูที่ตรงนี้หอยดูแต่ว่าไม่ให้เพ่งถ้าเพ่งมันจะวินหัวหรือมึนศีรษะหรือมันจะอาเจียน มันเป็นอันกาตามมันค่อยๆถอยลงมาเราค่อยๆดูนี่เป็นการเตือนและทบทวนเนี่ยแสดงว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นพอดีเราดูเข้ารู้สึกตัวเข้ามันคิดเรารู้สึกตัวเข้าเราจะเกิดญาณปัญญาบัดนี้เป็นปัญญาญาณเป็นญาณปัญญาบัดนี้อันนี้ต้องแสดงว่า น้ำหนักของตัวเราร้อยกิโลที่เคยถามมาหลายคนอย่างน้อยที่สุดต้องสามสิบหรือสี่สิบกิโลหลุดไปแล้วแต่สำหรับตัวหลวงพ่อเคยพูดว่าหลวงพ่อต้องสลัดทิ้งทันทีเลยแปดสิบกิโลยังเหลืออยู่ยี่สิบกิโลแต่มันมีอารมณ์นะตอนนี้พอดีจิต ใจมาสลัดออกจากกลางกอดเรียกว่าจิตใจสูงจิตใจสูงกว่าเดิมเรียกว่าจิตใจหลุดพ้นแต่ก็ได้หรือว่าจิตใจสูงกอได้หรือว่ายานปัญญาเกิดขึ้นกอาได้มันเป็นเรื่องสมมติพูดขึ้นมาอันนี้เรียกเป็นปรามัดเห็นวัตถุวัตถุได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกหรือมีอยู่ในตัวเรา แล้วปรมัตต์กำลังเห็นอยู่เป็นอยู่มีอยู่กำลังสัมผัสอยู่นั้นเรียกวเป็นปรมาตัต์อาการหมายถึงสภาพวุ่เปลี่ยนแปลงนี่ว่าได้ต้นทางที่ตรงนี้ได้กระแสรพระนิพพานที่ตรงนี้ทางไม่ใช่ทางเราจะเดินไปอย่างนี้นะเป็นทางทางจิตใจจิตใจมันรู้จิตใจมันเห็นจิตใจมันเข้าใจจิตใจมันสัมผัสได้เมื่อเห็น อาการแล้วก็รู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นโทสะโมหะโลภะมันจะแสดงอาการอย่างใดกอรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจกอาสนะโทสะเอาสะนะโมหะเอาสะน ะ, โ, สะนะโลภะได้เมื่อเอาสะนะได้ก็หมายถึงว่าคนหนึ่งมันน้อยคนนึงมันผู้ใหญ่ หรือมันสูงคนนึงมันต่าคนที่ต่ำจะตีคนจะซกคนที่สูงก็สกยากคนที่สูงจะตีจะสกคนที่ต่ำก็สบายทีแรกเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้บัดนี้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็เลยเปรียบเอาไว้ว่ามีเก้าอี้ใบเดียว มีสองคนที่จะเข้าไปแย่งนั่งเก้าอี้ใบนี้เรียกว่าในร่างกายเหล่านี้เองถ้าคนใดมีกําลังอ้วนพีเข้าไปเร็วก็ได้นั่งเก้าอี้แบบนั้นคนใดไม่มีกําลังไปทีหลังก็ไม่ได้นั่งทีแรกเราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมีแต่วความไม่รู้มีแต่โทสะโมหโลภะ ไปเป็นเจ้าของบัดนี้เราฝึกความรู้สึกตัวนี่แหละทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเหตุจริงตามความเป็นจริงและวบบนี้ตัวรู้สึกเข้าไปก่อนเรียกว่าตัวสติกะว่าได้หรือว่าตัวปัญญากะว่าได้จะว่ายังไงก็ว่าได้ตัวนี้เข้าไปก่อนตัวนั่นก็เลยเข้าไปไม่ได้เมื่อตัวนั่งเข้าไปไม่ได้เวทนาก็ไม่ทุกสัญญาก็ไม่ทุก สังขารก็แม้ทุกข์วิญญาณก็แม้ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์แล้วเป็นยังไงก็เป็นปกติก็สบายอันนี้เรียกว่ามีศินศินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดตำลาทันว่าอย่างนั้นแต่บัดนี้เราก็มาทบทวนดูว่าเราทํานี่ถูกต้องแล้วหรือยังเราทําเนี่ย ตามแบบพระพุทธเจ้าทำแล้วหรือยังเราจะได้ทบทวนว่าพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสอนคนที่กำลังยังไม่รู้ให้รู้สอนคนที่กำลังทำผิดให้มาทำให้ถูกต้องสอนคนที่มีทุกทำให้หมดทุกไปเนี่ยเ่ ก, กี้เราไม่รู้มาทำอย่างนี้เรารู้ แต่ก่อนนะเราทําถูกหรือผิดเราไม่รู้แสดงว่าเราทำยังไม่ตรงมันยังไม่รู้บัดนี้เรามาทําอย่างนี้มันรู้ก็แสดงว่าเราทําถูกต้องเหมือนบัดนี้แต่ก่อนเรามันมีทุกข์เพราะโทสะโมหะโลภะมารบกวนบัดนี้เรามารู้เรามาเข้าใจมาสัมผัสแนบแน่อยูกับสิ่งเหล่านี้โทสะโมหะโลภะไม่เข้ามารบกวนเรา ก็แสดงว่าเราไม่มีทุกข์ไม่ต้องเรียนอะไรมากไม่ต้องเรียนไปรู้เม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลไม่ต้องเรียนไปนับเม็ดหินเม็ดทรายไม่ต้องไปเรียนอะไรมากห่วมรู้มากๆอย่างที่เรารู้ว่าเป็นพระอเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรอะไรก็ตามต้องเรียนรู้มากๆให้แตกสารทางปัญญาอันนั้นมันก็ดีแต่ว่ามันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ อันนี้มันแก้ปัญหาตัวเองได้อันนี้เป็นพักหนึ่งนี่ว่าพักต้นรู้เรื่องรูปนามพักที่สองนี่ก็แปลว่าแสดงว่าเราไม่ทุกอันนี้เป็นนามรูปเรื่องรู้รูปนามนะเป็นรูปนามเรื่องเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกอันนี้เป็นนามรูปเนี่เข้าใจอย่างเตีย ว, ว่าได้ต้นทางได้กระแสรพระนิพาน ได้ต้นทางคือเรารู้จักทางไปหาพระพุทธเจ้าได้กระแสรพระนิพพานคือเป็นวิธีที่จะดับความร้อนให้มันเย็นลงหรือดับความทุกข์ให้มันน้อยไปเรียกว่านิพพานคือไม่มีทุกข์ท่านนี่วะได้กระแสพระนิพพานท่านว่าอย่างนั้นนี่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมและจะพูดไม่เป็นเรื่องสมมติที่หลวงพ่อมาทบทวนและมาแนะแนววิธีปฏิบัติ ที่หลวงพ่อได้ศึกษาเล่าเรียนมารู้น้อยน้อยเมื่อรู้ภาคนี้จบแล้วก็เลยมันก็เกิดปีติขึ้นมาปีติตัว น, นี้ก็เรียกว่าเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ขัดขวางแต่ทางตำราบอกปีติตแล้วความอิ่มใจหลวงพ่อก็เลยมาอันนี้ว่าเรียกว่าเป็นจินตยาลักษณะใจดี อ, อันนี้ไม่เคยดีใจใจดีแล้วแบบนี้แต่ว่า ยังไม่เป็นปกติแต่เพียงว่ารู้แน่อนอนยัยงน้อยแต่พอดีมันคิดขึ้นมายินดีกับความรู้ตัวเองต้องถอนตัวออกมาอยู่ความรู้สึกมันดีใจก็ไม่เอาเสียใจก็ไม่เอาใจดีก็ไม่เอาเอาที่มันความรู้สึกเมื่อทาความรู้สึกที่มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะลวกความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นปีติ มันตีติมันจึงยึดมั่นมันจึงดีใจนว่าจินตยานนว่ามันดีใจมันใจดีภูมิใจว่าตัวร้วนไม่ต้องอยู่กับมาเอาเพียงขมรู้สึกเมื่อรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นก็รู้จักว่ากิเลสตัณหาอุปาทานกรรมสี่ข้อนี้เหมือนกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันอยู่ใกล้กกัน จิตใจจะเปลี่ยนเป็นคนละตอนกันทันทีอันนี้จิตใจเลื่อนสั้นขึ้นเป็นปรมาถ ธ, ธรรมเป็นอัฏฐบัญญัติเป็นอริยะบัญญัติทุกสมมุติขึ้นมานี่ว่าเป็นอริยะบัญญัติเป็นอัฏฐบัญญัติอัฏฐเปล่ามักแต่ทันว่ า, างนั้นอัฏฐเปล่ลึกลับซับซ้อนยากบุคคลที่จะรู้ทันว่าอย่างนั้นจึงว่าเราไม่ต้องรู้มาก รู้เพียงแค่นี้เป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่อรู้กิเลสตัณหาอุปทานกรรมแล้วก็เป็นปกติขึ้นมาแล้วแับ น, นี้นี่ภาคภาคที่สองนี่พอดีเป็นปกติขึ้นมาจิตใจบันคิดก็รู้สึกทันทีหรืออะไรมากระทบเรารู้สึกทันทีอันนี้เรียกว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยา สมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดมันมันอยู่ที่ตรงนี้แต่อันนั้นไม่ถึงคำพูดบัดเนื้อทางตำราท่านบอกว่าเป็นปฐมม า, าสารทารุติยาสารตติยาสารจะตุทาสารปัญจมาสารท่านพูดไปอย่างนั้นตำานราปฐมมาสารมีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตา ทุติยสารบางทีมีองค์สี่บางทีมีองค์สามทางตำราท่านว่าอย่างนั้นถ้าองค์สามก็มีมีปีติสุกเอกขตาขะาองค์สามถ้าองค์สี่ก็มีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอกขตาขะทะีองค์สี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ามีองค์สองก็ว่ามีสุข มีเอกค้าตาถ้ า, ามีสองคางองสองเนี่ยมีสุขกับมีโอเปคขาท่านวายัางตําลาแต่ว่าเรามาปฏิบัติมันก็ทูกกับตำลาแต่เราต้องรู้จักว่าโอ้รู้ทีแรกรู้เรื่องขันห้ารู้มาขั้นที่สองนี่รู้เรื่องนามรูกคือเวทนาสัญญาสังขารบิดหยาดนะั กิเลสตัณหาอุปาทานมันมีองค์สี่ด้วยกันไม่เป็นไรบัดนี้รู้เข้ามาขั้นปกติแล้วก็รู้สินสินขันสมาธิขันปัญญาขันสามบัน้องสามเดี๋ยวองค์สามสินขันสมาธิขันปัญญาขันบันี้ขันแล้วจีว่าจีว่าขันอะไรก็ได้ีว่าขันห้าก็ได้จีว่าขันสี่ก็ได้ ว่าขันเดียวก็ได้มันมาแยงกันคำพูดมันมากแต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดกับภิกษุขาวหนึ่งว่าเดินไปในป่าท่านว่าอย่างนั้นภิกษุกับพระองค์เดินไปในป่าว่าใบไม้แห้งตกอยู่ในพื้นดินเนี่ยพระองค์จับขึ้นมาแล้วก็มาถามภิกษุที่เดินตามกพระพุทธเจ้าบอก ใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกำมือของเราตถาคตนี่มาเปรียบเทียบกันแล้วอะไรจะมากน้อยกว่ากันพิสูจนที่เดินตามแต่กับพระองค์แต่นั้นบอกว่าใบไม้ในป่ามีมากแต่ใบไม้แห้งในกำมือของพระองค์นั้นมีนิดเดียวจะเอามาเปรียบเทียบกันนั้นหาไม่ได้เลยควอมู้ที่เรารู้เราศึกษาเร า, เ ร, าเรียนมานะั้นมันมีมาก แต่ที่จะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายนะเท่ากับใบไม้แห้งในกมือของเราตถาคตนี้เองหรือว่าคนเจ็บคนไข้คนป่วยนะั่นใบไม้ในป่าเป็นยาทั้งหมดแต่จะเลือกมารักษาเฉพาะเป็นยารักษาโรคให้หายเฉพาะเท่ากับใบไม้แห้งในกบมือของเราตถาคตนี้เองจะรักษาโรคให้มันหายได้อันนี้ก็เหมือนกัน การเราทำมานัน่ะทำดีมามากแล้วแต่มันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เรียนรู้มามากแล้วรู้พระไตรปิฎกจนจบกอก็กอยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่าอันนั้นยังไม่ได้ยังไม่ถูกต้องยานปัญญายัางไม่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าท่านสอนความรู้อย่างที่หลวงพ่อพูดมานี้เป็นความรู้ที่แก้ปัญหาตัวเองได้ไม่ต้องรู้มาก รู้น้อยแต่มันแก้ได้มันเป็นยาเนื้อมันเป็นเพชรหรือเป็นอะไรที่มันตัดหน้ากระจกได้ตัดไปแล้วมันเป็นลอยลาวไปเลยรู้อันนี้แหละแต่ว่ารู้แล้วมันแนบแน่นอยู่ในใจิตใจมั่นคงถาวรทําให้คำสอนของพระพุทธเจ้ามั่นคงนั้นเราจะสร้างกุฏิเรียงหารสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็ตามถ้าหากว่ายังไม่รู้อันนี้ หลักพุทธศาสนาก็ยังมั่นคงไม่ได้มันมั่นคงทางวัตถุมันเจริญทางวัตถุถ้ารู้อันนี้แล้วทำให้หลักพุทธศาสนามั่นคงได้ทำให้หลักพุทธศาสนาจเจริญได้ ain. ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมั่นคงถาวอเมื่อตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมั่นคงถาวอแล้วก็นาไปสอนคนอื่นให้คนอื่นได้รู้ได้เห็น ได้เข้าใจนำแปลว่าฟื้นฟูหลักพระพุทธศาสนาทำบุญต่ออายุของตัวเองทำบุญต่ออายุพระพุทธศาสนาอันนี้แปลว่าเป็นปลาลมัตถธรรมปลาลมัตแปลของจริงแปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถูกสมมติขึ้นมาให้มันเป็นสมมติพูดให้กันฟังเท่านั้นเองที่หลวงพ่อมาแนะนำมาทบทวน ความรู้ความเห็นความเข้าใจกับพวกเราวันนี้มาเพียงให้รู้จักว่าศินขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่าลองรับขันแปลว่าต่อสู้อยว่าขันห้าก็ได้จยว่าขันสี่ก็ได้จยว่าขันสามก็ได้อย่ว่าขันสองก็ได้อยว่าขันเดียวก็ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ตอนเสา ทำวัดเ้าจบแล้วจะทำสั้นๆเพื่อมาตักเตือนพวกเราไม่ให้พูดให้คุยกันมากตั้งใจทำเพื่อให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตสามข้อนี้จาไว้เดียว เห็ขันสมาธิขันปัญญาขันข้อสุดท้ายท่านว่าสัตว์ทั้งหลายเราคู่เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคต น, นี่ท่านสอนอันนี้เป็นคํามั่นสัญญาของพระองค์เป็นคําประกัน เป็นคำรับรองของพระพุทธเจ้าเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าทำลงไปแล้วมันเกิดยานปัญญามันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นั้นแสดงว่าเราได้ต้นทางเราได้ทางพระพุทธเจ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ไปหาพระพุทธเจ้าเจ้าสายสิตถกกุมาร น, นะที่หลวงพ่อพูดนี่ พระพุทธเจ้าคือตัวจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจค้่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรที่จะมลกวนชีวิตของเรารู้เท้ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้อันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้ามีแล้วในคนทุกคนจะถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าซสีอะไรก็ตาม ศึกษาได้ทุกคนเอาแหละที่หลวงพ่อได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตสักกิจใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเคเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาขออ้างอิงออกเย็นจบแล้วทำคัสั้นขอเป็นพิธีนะครับมาเล่าเรื่องปฏิบัติธรรมะ เป็นการทบทวนคำพูดที่เวาให้ฟังตอนเซานี่ว่าอธิสินสิกขาอธิกิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาตำลาวันกันแต่เมื่อหลวงพอเข้าใจว่าสินขันสมาธิขันปัญญาขันจิวขันห้าขันซีขันสามขันสองขันหนึ่งมันจุบนว่าขันบัดี้ก็เลยมา พูดให้พวกเราเข้าใจเมื่อมีสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันเกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นปกติที่หวาวใจจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจปกติมันเป็นปกติเมื่อมีปกติแล้วสึ่งใดมาเกิดขึ้นมารบกวนเราก็รู้เราก็เห็นแล้วก็เข้าใจ ซึ่งที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจเราสงบดูนั้นเรียกว่าเราไปทําให้มันสงบมันฝืนธรรมศาสตร์มันแต่บอได้เวาเรื่องขนอื่นอันเนี้ยวาเรื่องเฉพาะตัวเองได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้ปฏิบัติมาอันไปทําให้มันสงบนั้นเรียกว่าสมถ ก, กรรมฐานบ่แม่นิ ป, ปัสนาตัวเองเข้าใจเอาผู้เดียวอันนี้ว่าเอาผู้เดียว อันว่าผู้เดียวสันมันที่ถูกบอสันถู ก, กบุตรกบุรุษรู้จักแล้วแต่ว่าเราเข้าใจอย่างสันสำรั บ, ตำ ร, บตำรับตํารานั้นดีแล้วแต่ว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือตำลานะพระพุทธเจ้าตายไปแล้วให้ว่าเธอไปนิพพานไปแล้วสี450่รอยห้าสิบปียังได้มาทรงจําพระธรรมวินัยกันขึ้นมาตั้งสังขารยานัยครั้งที่ห้าที่ ยังได้จะลึกพรฒนาหนไว้เคยได้ถามหลายคนแล้วซัวระยะเกิดมาอายุยี่สิบปีสามสิบปียี่สิบปีนี่อย่างน้อยอยู่สามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีถามตั้งแต่สิบปีพี่เหละขึ้นไปพอแม่บอกอันไดคำแรกที่สุดจำได้บอกน่งหรือนอนจำได้จักขนถามมาหลายคนแล้วเรื่องนี้ บัด น, นี้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วบัดเนี้ยสี่รอยห้าสิบปีแล้วคนที่เขียนพระธรรมวินัยจารึกขึ้นมานั้นนะทีเป็นพระอรหันต์หรือเป็นปุถุชนอย่างธรรมดาเราเนี่ยกับบุรุษจักเพิร์นว่าต้องจารึกพระธรรมวินัยนี้ไว้ถ้าหากบม่าจารึกบ่เขียนไว้ที่บุญนี้ผู้สรงจำเหมือนแล้วกับบนผู้สรงจําำในเทแล้วก็ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะยังเขียนไว้ บัด น, นี้มาคิดสวนระยะา4 5 0ปีจากส่วนคนเอาส่วคนเพียง60ปีหรือ80ปีอ า, อาอยุ80ปีซะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสาสี่แปดสี่สามสสองแปดห้าสี่สิบนห้าส่วคนใ้4 5 0ปีบัดเนี้ยเรื่องเขาที่จำได้พ่อเอาสอนอยังไงพ่อของพ่อสอนอยังไง พ่อของพ่อสอนมาจังไดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าเชื่อถือที่เขาพูดตามกันมาในหนังสือกลาหัสมสูตรบอกว่าจังสันแล้วก็อย่าเชื่อถือฉันเห็นเขาทําตามกันมาสิบข้อคุณแล้วก็อย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตํารา ก, กัมพีแล้วก็อย่าเชื่อถือผู้พูดผู้สอ น, นว่าหน้าเสื่อถือ แม่ครูผู้สอนแท้ๆต้องกระบอกให้เสื้อถือให้เสื้อบนได้ให้เสื้อบนตัวเราเข้าใจบนเห็นแจ้งบนรู้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพูนสอนไว้นั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจ ะ, นจะมีอย่างเราตถาคตนี้อันนี้เป็นคํำรับรอง เป็นคําประกันของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยว่าพระพุทธเจ้านั้นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบว่านั้นจิตใจบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์แปลว่าจิตใจปกติอืมจิตใจพองใสก็แปกงพองใสแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงว่ามีสิ่งใดที่ปิดบงังเป็นวันงจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างนี่เป็นว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องปฏิบัติลองเบื้อง อันนี้แหละเมื่อสินเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าสินขันขันมีสินคือขันห้ามีสินขันซี่มีสินขันสามมีสินขันสามนี่อาจจะเขาใจกันน้อยคนหนึ่งสายสองคำพูดสามใจเรียวขันสามก็ได้หรือว่าอาิสินสิกขาอธิจิตาสิกขาที่ปัญญาสิกขาก็ได้บันนี้ขันสองบันเนี่ย เพิพน่พนเพนิ่นเพิ่นเพิเว่ากายเนื่องใจเนื่องเผยว่าพนีมันเป็นอยางนั้นเพิ่นเนยว่าประทบมัสส า, าสนัันมีองค์ห้าพุทิทยสารมีองค์สี่ตตถิยสารมีองค์สามจตุทัศาสมีองค์สองปัญจมัสสานก็มีองค์สองเพิ่นว่ามันตำลาเพิ่นว่าตำลาได้อันนั้นแต่การเห็นแจ้งของเราเนี่มันจริงหรือโบจริเนี่ยเราต้องปฏิบัติลองบึ้งอันนี้ที่หลวงพ่อพูดนี่เนี่ยว่า เมื่อสิ่งเกิดขึ้นแล้วรู้จากโลบเดียวขวมสงบจึงมีอยู่สองอย่างสงบบูรูอันหนึ่งสงบแบบรูอันหนึ่งสงบแบบบูรูในพจน์ว่าเอินสงบสมถะกรรมาฐานสงบแบบรูในพจน์นว่าสงบแบบการเห็นแจ้งหยุดการศึกษาหยุดการเล่าเรียนหยุดการแสวงหาวิธีปฏิบัติหยุดหาครูหาอาจารย์หยุดหาตำราพจนเงินสงบหยุดทุกอย่าง คันว่าไปกันหยุดฮอตข่มโลภข่มโกดข่มหลง ค, ค, คุณน่ะเนี้หยุดมัดเนี่ยเพิ่นว่าหยุดอันนี้เพิ่นว่าสงบสงบพอหยุดคันถ่หาห้างเฮายังโบหยุดยดูสงบโบได้เนี่ยเข้าใจแปลงนจริงว่าให้เฮาศึกษาและปฏิบัติจริงๆมาปฏิบัติเที่ยวนี้ก็เรียกว่าได้ยินคุณสัมผัสว่าให้ฟังจํานวนคนมาปฏิบัติอี่างหกสิบกว่าค น, นพอใช่ไหม กันวนหกสิบกั้คนนี่ถ้าหากเขาปฏิบัติรูน้อยเขาก็สอนกันน้อยได้สมัค ส, สิบคนหนึง่งหกสิบคนก็ได้หกสิบคนก็ได้ร้อยยี่สิบคนถ้าหากเขาตั้งใจกันอีกตืมปีต่อไปร้อยยี่สิบคนมาปฏิบัติอีกตื่มเราก็จะมีขวมรูเพิ่มเติมกันขึ้นอีกตืม ก็ได้สองลอยขึ้นไปได้สี่ลอยขึ้นไปได้แปดลอยขึ้นไปเป็นพันขึ้นมาดังนั้นคําสอนของพระพุเจ้ า, า, าว่าเอาสวดธรรมวัดรเสวพระธรรมของพระศ า, าสดาวสว่างเปรียบดวงปรทิมันริบดีริบดีอยู่หอยตะกีหมอดเขามาปฏิบัตินี่ก็คือการถอยหน้าถอยหลังคานแด่มันแด่คานแด้่มันแด่มันเป็นอย่างไรนั่นนี่นี่ว่าตั้งใจปฏิบัติ การปฏิบัติเทีย่ยวนี่คือว่าเข้มขุ่นกันพูดกระบอกพูนหลายพูดแต่แต่เนื้อในใจขุมนในเทเมื่อรู้สิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันแล้วรู้สมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานรู้ทันทีรู้ที่ตรงนี้เมื่อรู้สมถะกรรมฐานเท่ากับวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเดียวเป็นปกติแต่เมื่อยังเป็นสมถะอยู่บัเปล่นเป็นปกติ มันจิตใจวั่นไหวสะทกสะท้านอย่างนั้นอย่างนี้บ่เป็นปกติสายนะพออันเนี้ยผู้อื่นอาจีพเป็นปกติบ่หุ้จักเมื่อสิน้นอันนี้ปรากฏขึ้นแล้วปกติแท้ๆทุกคนต้องมีอันนี้ผู้อื่นเป็นปารามะปารามะที่เรียกของจริงของแท้บ่เปลี่ยนแปลงบ่แปรผันบ่ได้สมมุติอย่างที่เขาสมมุติว่าคูบานั้นคูบานี้ สมเด็จนั้นสมเด็จนี้บ้านอย่างเพราะเอิญสมเด็จเจะหัดศาลนั่นเจ้าหัดศาล น, น, นี้เพื่อว่าทางทีเพื่อนเอิญเจ้าขุนพระคูนเนี่ยพระเทพพาราศพนังสร้างว่ า, พาเพื่อเลือนสันอันนั้นมันเป็นสมมุติก็เอาอันนั้นแหละมาว่าอันนี้เอาอันนี้ไปว่าอันนั้นจึงว่ามันสมมุติจึงให้เรารู้จักสมมุตรจริจริงๆถ้าบ่รู้จักสมมุติแล้วกับปฏิบัติก็เกอ้อเขินสงสัย ว่าอันใดน้อถูกอะ่ะอันใดน้อผิดหนอยมันสงสัยเมื่อเหาเห็นแจ้งรู้จริงแล้วความสงสัยกังวลใจโบมีเมื่อความสงสัยกังวลใจโบมีแก้ปัญหาตัวเองได้ทุกก็เรือหมดไปเพิ่งมาให้หมดทุกเดี๋ยวนี้นี่เหามีความสงสัยทำบุญหลายหลายนี่เขาเข้าใจยังสันนึกว่าจะได้บุญหลายอย่าเพราะอันเนี้ แล้วจีมีเทวดามาเสพมางานเอาดวงจิตบิน ญ, ญาณลอยขึ้นไปเกิดบงสวรรค์เขา้าใจจริงจริงจริงๆอันนั้นเหาหยึดเาถืออย่ายึดมั่นถือมัน่นเพื่นว่าแต่เหาหยึดเาถือยึดมั่นในสิ่งกะผิดเพื่นว่ายึดมั่นในทานกะผิดยึดมั่นในสมถะกรรมฐานกะผิดยึดมั่นในวิปัสสนากะผิดเพื่อ้นอุ ป, ปาทานยึดมั่นถือมัน่นบากนี้เหามาทํา บ่วให้ยึดให้ถือมีหยักเขาจะเพียงรู้สึกตัวมันเคลื่อนไหวจะให้รู้มันคิดกะให้รู้ให้รู้เพื่ออย่งรู้เพื่อให้มันเท่าทันเหตุการณ์ของความคิดรู้ให้มันเท่าทันเหตุการณ์ของจิตใจนึกคิดให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จกกัจ ก, ก, จกอัสนะมันได้เมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็ปั่นหงาเกิดขึ้นเป็นว่า งงสิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่งางงาดสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่งางกลางกิเลสอย่างกลางะเขาติดเด็เขาติดดีเขาติดคมสงบเขาไปปฏิบัติธรรมะอยากให้มาสงบเนี่ยเขาติดอุปทาะนเะย่านั้เขาหักบุหจักบุหุจักเนี่ยพอบุหุจักจกอ็ อ, ก อ, อุปทานไปรับศิลยินดีในศิลสินอันนั้นรักษามาตั้งแต่เป็นหนุ่มเนี่ยพอรักษาศินอุโบสถมามันก็บอเสร้าใจใหาย ผู้ใดมาว่าให้มันก็นยังมีดีใจเสียใจอยู่บรมินสินที่กําจัดกิเลสอย่างงาบมันสิ้นสั่งคมนะให้หู้จักว่าสมมุติสมมุตนินิทิมบัได้สั่งคมนี่ยอยู่กับสมมุตดจะมาให้เขารู้จักจริงๆถ้าหากเขารู้จักจริงๆแล้วแสดงว่าเขาเข้าถึงพระพุทธเจ้าเขาเข้าถึงพระธรรมเขาเข้าถึงพระสงฆ์พระพู้ได้เจ้าก็คือว่าให้ฟังนั่นเนี่ยอยู่ใส อยู่บนจิตใจสะอาดอยู่บนจิตใจสว่างอยู่บนจิตใจสงบบนจิตใจบริสุทธิ์บนจิตใจพองใสจิตใจว่องไวสามารถอะไรมาผ่านใจเขาคิดนะ่ะมันผ่านเรียกว่าผ่านเอาเขาบูฮุจักนี่มันผ่านไปผ่านมาใจามันวั่นไหวเขาบูฮุจักถ้าหากเขาใจเขาเป็นปกติใจพองใสใจว่องไวแล้วสามารถมองเห็นทุกอย่างทุกแ ง, ง่ทุกมุม อันนั้นซื่อว่าจิตใจของพระกุทธเจ้าเฮาก็ะเรออื่อนพระอรลาหันหอย่างสัน่นแต่เฮาเข้าใจว่าอยากดีเนี่ยพระอรหันต้องมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเข้าใจอย่างสัน่นมันเข้าใจผิดกันกันกบคําพูดข่มจริงแท้เฮาอยากดีอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากมีอิทธิปฏิหารอันนั้นเป็นอุปทานทั้งหมดที่เหยาพอว่านี่นะแต่ผู้อื่นที่เปลี่ยเป็ี่ยนบูฮุจัดเหยาพ่าอยากเป็นอย่างสัน่นแต่ก่อน เนพราอยากเป็นพระฤาษีเสาไฟเพราะเงาพอเป็นนน้อยในบุหกรรมครูบาบอกตื่นมาเมื่อเ้าก็ะเป็นมื่นตาเสตะเวียนคนมื่นตาสิเหล่าโบผับขันบัตรเสงตะเวนขึ้นมาหลายหลายแล้วมื่นตาเส่เส้ น, นี้ขันบัตรเป็มื่นตาเสคนแล้วมันที่เป็นไฟไม่ไป็มืดอยากเป็นเงาพอเนี่ยควรมยึดมั่นถือมั่นซิ่งนั้นแหละมันเป็นอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ขัดขวาง บวกให้เฮาลู่ทำมะได้จริงว่าเลิกได้ทำลงไปแล้วสิ่งใดมันเกิดปัญญาบวกเห็นแจ้งบุรุษหญิงเลิกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลิกได้ทำสิ่งใดลงไปแล้วมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งเกิดการรู้จริงแล้วทำไปบุผิดงาพอกับหบได้เลิกข่าวบุหููจักดิบบัดนี้ตะเวนแสงมันแก้ขึ้นแก่ขึ้นบัดอวยหน้าออกมาซีมันมือตึ๊บ ลมไปก็มีเลือดเชื้อสนแล้วมันกลายป็มืนตาเบื่งคนกันยบเห็นไผลลมจากคนปานนี้เนี่ยเป็นน้ำสันมณคงเส้หนังบางฟันมัวธนูขู่หน้าน้อยเนี่ยพ่อเฮียนมาเมดเพราะว่าหลวงนาเป็นขู่สอนไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยนี่ยพอเลิกได้เนี่ยพอรู้จักควมมณเนี่ยพ่ออย่างจันได้อยู่ในบางคำจังว่าเนี่ยพ่อว่าดีแล้วอัน เครื่องรางของขังกระตุกมุญญันนั้นดีแล้วดีสําหรับคนผู้ที่ยังอ่อนปัญญาคันว่าอย่างโง่เพียดคนคันแสดงตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าพระพุทธเจ้าสอนคนที่ยังคันว่าตามข่มจริงแล้นะคว่าสอนคนที่ยั ง, งโง่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมามันยั ง, งโง่มันยังเป็นทังสันสอนคนที่ยังทําผิดนี่แหละให้มาทําผูกคนว่าทังสันสอนคนที่ยังมีทุกข์นั่นแหละ ให้เขาหมดทุกไปแล้วเราสอนกันุมูกนีส่สอนให้สลดัดโดยสอนให้โงอบกหูวจักเนี่ยพอก็ได้แต่ว่าเฮียนนำเพลินเพิ่นก็สอนอมทุรีทุรีว่าสันคอกูมีแผ่นหองกั้งพาสันบัดหูวจักละหมอรูปเบึงพ่อนนี่นะ้บ่มีแผ่นอีกแผ่นหองไม่ยั้งเนี่ยพอตกใจว้านหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ ย, อยสงบตายโน่นเนี่ยพอว่าเขาฟันคอกระต่ายแล้วเนี่ยพอลงหัวจักโอ้ สำหรับสอนคนผู้จิใจเย็งต่ําดังนั้นคถาทาบมณยันพี่สร้างนางไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเหงาพอว่าเหงาพอรู้าจักเรื่องสมมุติดเหงาพอจึงโบญาณโบกหัวมีนังเหงาพอเชื่อว่าทําดีมันดีทําสัวมันสัวทนทันสืบเหงาพอจึงเสื่อมั่นว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่สอนของจริงสอนจริงสอนโดยทุกคนทําได้สอนสิ่งที่โบจริงนั้นโบเมียงคาสอนของพระเจ้า ดังนั้นเขามาทํานี่จึงมาทำซื่อๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดปูซาพระพุทธเจ้าเฮ็ดปูษาพระธรรมเฮ็ดปูษาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเขาเคยว่ากันพ่อแม่ปู่ยาตายายสอนว่ากาบพระพุทธอย้าให้ไปทุกพองคำนั่นกาบพระธรรมย้ายไปทุกใบลานนั้นกาบพระสงฆ์ย้ายไปทุกลูกทุกหลานทุกสาวบ้านทุกลูกสาวบ้านคนว่ากันแต่เขาบุกหัจัก บุหู่จักว่าพอดีรู้อย่างนี้แล้วเน่ยพอตอนเศร้าเนี่ยพอรู้ยกมือไหว้ตัวเอีงขึ้นโหลดเนี่ยพอโอ้อมันนั่มีดีปานนี้ได้คนเนี่ยนั่นเนี่ยควอมเป็นคนจึงให้หุ่นจักวควอมเป็นคนเก็เป็นคนมันก็เป็นคนแล้วแต่ว่าควอมเป็นคนโย่ไสหู่จักแล้วบอบุหู่จักเนี่ยพอบุหูจห่จักรแต่ก่อนเนื้อหุ่นจักมันจะควอมเป็นคนอายุสี่สิบปีอย่างหู่จัก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 สอบไปหาเพื่นโรดคนเดียวในประเทศอินเดียก็มีหลายลทัทธิหลายอาจารย์บุญวัดเมืองไทยก็มีตั้งหลายลอยวัดหลายพันวัดแล้วผู้สอนกรรมฐานสอนยุทธศาสตร์ก็มีหลายร้อยคนหลายพันคนแล้วเาสอบเราต้องไปหาเอาไปศึกษาเอาเลือกเอาได้เต็มที่จิ๋วเป็นคนเป็นมนุษย์แท้ๆโบ ถ, ถูกหลอกอ ถ, ถูกหลวงโบ ถ, ถูกต้มถูกแกงการให้ทานการรักษาศีด น, นั้นดีแล้วทานมากๆากบเ น, นี่ย แล้วทําให้เขาพ้นลบได้บ่อพนบได้ก็ดีแล้วอันนั้นก็นเป็นสังคมถ้าหากบัวให้จังสันเราเดือดหลอนบ้านเขาจึงให้เขาหูจักสังคมจริงๆให้เขารู้จักสมมุติจริงๆเมื่อหูจักสมถะกรรมฐานดีแล้วก็รู้จักวิปัสสนาปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดอ่อนกิเลสอย่างละเอียดคืออย่างเดียวหูจักบ่อบัวหูจักไปก่อนบัวหูจกักความสงบก็บเป็นกิเลส อยากได้บุญกับเป็นกิเลสไปนั่งสมาธิกับเป็นกิเลสโอ้ยกิเลสหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยหูจักกิเลสอย่างละเอียดเวอลสรุปสันส้นๆเพราะว่าเวลามันจีดไหลเข้ามาเนีย่ยพอเข้าใจว่าเลือดทุกหยุดเนีย่ยพ่อเคยว่าอังนี้มีบาดเหล่าเรียผ่าบาดหรือมีอย่างบาง ตามปกติเลือดมันพุ่งออกมาปักบาดพอดีมีบาดของเรื่เลือดประจิกลับคืนมุดทุกหยดในกิเลสย่างละเอียดพอรู้จกักเงซี้แล้วกะนี่แหละคือควมบ่มีทุกแทๆ้ๆมุดทุกแทๆ้ๆเพราะบ่มีสิ่งใดที่ศึกษามุดเท่านั้นขนเรื่องชีวิตของคนจังวะตายแล้วเกิดกับผิดตายแล้วศูญกับผิดลักษณะจิตใจมันเตี้ยนไปเป็นขั้นเป็นตอนไปจึงว่าปฐมศาสตร์มีองค์ห้าจึงว่า ทุติยสาสรมีองค์สี่ตัติยสาสรมีองค์สามปัญจมสารอจตุทัศน์มีองค์สองปัญจามาสารกับมีองค์สองคนว่ปะปฐมมสารมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาปฐมมาสารทุติยสารน่ะสิมีวิจารปีติสุขเอกค ต, ตาสาิตัดติยสาสร์แบบนี้ว่ะ มีสุขมีเอกขตาตาจาตุทศสารปัญจมาสานข้ามากรรมมีสุขมีอุเบกขาพลวังสันตาําราเพลว่าบาดเน่าพอวานี่มันได้โบเ ป, ป็นทางสาับบนได้บินปฐมมาสารนั้นรู้เรื่องขันห้าทางสาันทูติยญาสารรู้เรื่องขันซีาา่ทางสันลูกพอเข้าใจทางสาันตาปิญญาสารเนี่ยมาเนี่ยรู้เรื่องขันสามขันสองมาแล้วเข้าใจวขันสองนี่แปลว่าขันห้าโบได้ผพุ่งเนี่ย บาจ็บจบมานี่เลือดทุกหยดโบออกจากปากบาดแปลว่าโบถุกปุ๋งพราเราลู่เท่าทันเหตุการณ์ของขวมคิดดังนั้นทุกคนทําได้อย่างเนี่ยพอวันะแต่ว่าทำอย่างอื่นเนี่ยพอบูฮู้จักก้อนเทคโนโลีฮู้จักทีเข้าใจนี้ทําควมรู้สึกตัวนี่เองพลิกมือขึ้นกับลู้สึกตัวควมมือลงกับลู่ศึกตัว เอียงซ้ายเอียงขววงซีรู้สึกตัวคมเลยรู้สึกตัวคว่ำลูสึกตัวนีน่เพลินเอินมีสติคว่ำลูสึกตัวในเพล่นเอิญตื่นตัวคว่ำลูใจคิดในเพลินเอินตื่นใจรู้สึกตัวรู้สึกใจตื่นตัวตื่นใจเพลินวายาสั้นั้นพอแม่สอนทางธรรมะเพลินวามีสติอะไรสักมีสมาธิมีปัญญาส่วนปัญญานั้นมันเกิดขึ้นมาพร้อมกันจีว่า เป็นปัญญาปรามีหลวงพ่อเข้าใจปัญญาปรมีเนี่ยบอกกันว่าปัญญายุเปโตสุขาโตวิตตะลโคพาเสยยะเสยโกทะสัญญาณทาโลแต่อย่างสัน้นแต่ความจริงแล้วมันแตกไปได้เมื่อหลวงพ่อไปปฏิบัติปัญญามีแล้วปาละเรล่าพร้อมมาสั้นมีมัดทุกคนปาละเรล่าพร้อมที่จะรู้ได้หมัดทุกคนจึงว่าถ้าหากเขารู้จริงแล้ว ต้องกล้ารับหลอกคำพูดคำสอนของพระเจ้าบ่ต้องวั่นไหวบ่ต้องสะทกสะทานเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงทุกคนปฏิบัติได้จริงๆบุญเดนได้ได้ปฏิบัติรู้ได้รู้ได้เป็นทังใดจิตใจมันจีหดเขามันหดเขาคืออันปิงน่งอย่างพอวานเอาน้ำยาใส่กับน้ำปูนไปหดเซตปิป่งมันซสี่กลัวมันจีเป็นทางสัง กัวอะไรจนกลัวสิ่งที่มันบุถูกต้องกลัวสิ่งที่มันผิดเอิญมากลัวกิเลสก็ได้กลัวตัณหาก็ได้กลัวความมืดก็ได้กลัวความหนักก็ได้จักที่ว่าจันใดมันเรื่องสมมุติสมมุติจึงมีมาเทากับใบไม้ไหนปากอันตัวปัญละมัดจริงๆนั่นเทากับใบไม้แห้งกับมือเดียวคุณวานชังสันจึงว่ามาปฏิบัติธรรมเทียวนี้เวาเข้มขุน เมาเข้มข้นเพราะเป็นการทบทวนให้ทุกคนจำแล้วเอาไปปฏิบัติรู้ย่างเอื่นแก้ไขปัญหาบไดายอย่งพอรู้มาหลายอย่างเฮียนก็นหลายปีเติได้เฮียนนะ้ำเพิ่นก็นเด็เฮีนครูบาอาจารย์ปีหกเดือนทั้งคำกรรมฐานทั้งเฮีย น, น, นหนังสือเป็นนางสันครูบาต้องเคี่ยนต้องตีแต่ไดตั้งแต่วันทิตวากับลาสโตตก่อนเหมือนเรียนไปน็ัางสัน ได้พ่อคูบาเป็นผู้บังคับเนี่ยคูบาเพิ่นเรียนมูงกระจายไปจจกจังหวัดอุบลเพียงบ่มีลูกซิทลูกหาเพิ่นเอาหลวงพ่อไปไปเนี่น้อยไปไปบวชนําเพิ่งกับบังคับอแล้วของลานนี้โอ้ยทุกหลายเงาพอนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นเลยพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาพระพุทธเจ้ามาไว้หัวใจนี้ให้เฮ็ดโยนสัน้นอยู่ตลอดเวลาเนี่เป็นอย่างนั้น แล้วมันทีเข้ามาได้จังใดพระกุธเจ้าอันนั้นแต่เพื่อนกรณีจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วครูบาอาจารย์สอนนั่นบัดมีห่อไวสอ้สกรขูมดีอันนั้นยากจะยึดไปถืออย่างที่อย่างพรวานิโบมันว่าให้เลือกให้เสาเด็กญาติยึดไปถือลองเฮ็ดอันนี้ลองเมืองสกรอ้อาวย่างนานบบเกินสามปีรับลองจริงๆเรื่องนี้โบมากกันนอ้อยย่างกลางให้เวลาปีนึง อย่างเร็วที่สุดนะ่ะเก้าสิบวันอานนี้สงฆนี่โบต้องพูดเลยเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่มันจีจางไปลดไปเดียวล่ะจางไปลดทีเดียวถ้ามันมีร้อยเปอร์เซ็นอย่างน้อยที่สุดมันจะลดไปลจะจากหกสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออยู่สี่สิบเปอร์เซ็นตอย่างมากอ่ะบางทีอาจจะแห้งไปก็ได้แต่มันบบแห้งดอกอย่างที่เหนียพอวานี่เนะี่ยมันสมมุติสมมติผู้น้อย มันจิเงื้อซกผู้ใหญ่ไม่มีผู้ถึงพอดีผู้น้อยจิตลุกขึ้นมาผู้ใหญ่บอกกดหัวไว้รถมันเกิดขึ้นบ่ใดเป็นเนื้อเนว่าพ้นไปพ้นมาจิตหลุดพ้นแล้วันจิตพ้นไปจากข่วมทุกจิตพ้นแล้วญาญยอมมีเห็นว่าเมื่อเฮาจิตเฮาพน้นไปอันใดต้องเห็นอันนั้นจิตพ้นอันใดไปต้องเห็นอันนั้นพ้นโทสะก็ต้องเห็นโทสะพ้นโมหะก็ต้องเห็นโมหะ พ้นโลภะก็ต้องเห็นโลภะพ้พนกิเลสต้องเห็นกิเลสสิ่งที่พ้นไปแล้วนะกลับมาปิดบังบ่อยๆคนเอ่นว่าจิตสะอาด จ, จิตสว่างจิตสงบจิตบริสุทธิ์จิตพองใสจิตว่องไว่สันว่ามันเป็นหนังสัตว์จะควรมจริงนะอันนี้ที่นายพรามาวาสู้ฟังเนี่ควรมจริงมีมดทุกคนบ่นยกเว้นถือศาสนาใดก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าก็มี ผู้เรียนหนังสือมากๆก็มีผู้บรุรีเรียนหนังสือก็มีเพราะมันมีชีวิตคือกันทุกคนจึงยกเว้นบได้จังพุทธศาสนานี่ยเี่ยว่าบโบแห่งของไผ่เป็นของกลางๆเป็นของผู้ปฏิบัติรู้และเข้าใจและนํามาเผยแพร่ทําให้พุทธศาสนานเจริญได้อันเขาสร้างโบสถ์นั้นเจริญยุ่งเจริญทางวัตถุแต่จิตใจบสเจริญอันนี้เขามาสร้างอันนี้โบสถเนี่ยจิตใจมันเจริญ สมมติเอาหนะ้าแบบ น, นี้เขา ม, มาสร้างโบสถ์หลังหนึ่งเมื่เงินเปลี่ยนล้านเขา ม, มาสร้างกุฏิหน้อยๆ น, นี่นะเงินล้านนึงมันจะได้จากหลังเรามาคิดบางโน้นบแบบนี้แล้วให้คนมาอยู่ปฏิบัติธรรมมาในเน่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์สร้างโบสถ์หลังหนึ่งบางทีจีมีผู้ได้ไปบวชท่านเป็นพระนิยมคนได้บรจากสิบขนว่าอย่างมากสร้างกุฏิหลังหน่อยๆ น, น, นี่เนี่ย่าเพราะว่ากันถ้าหากมีความสามาสอนกันแล้ว ปีละคนนี้มีสิบหลางก็ได้สิบคนรถมาเดียวบัด น, นี้อันทำให้คนเป็นอเดียบุคคลนั่งกับสร้างวัตถุนะอันไดทสิดีก้อนกันเราต้องคิดให้มันดีถ้าหากเราเป็นสาวพุทธจริงๆเราพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรเราจะได้รับรองเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าจริงๆจึงว่าผู้ใดรู้ธรรมผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าสั่ ผู้ใดโบลูธรรมเขาโเห็นพระพุทธเจ้าแล้วลูธรรมเขาจิไปเห็นพระพุทธเจ้าพูนบอกบ่แม่นี่ยพอเวาวั่นเสียเงาตามใจตัวเองไงเนี่ยไปซิมาขัดข้างกับขัดขานไปกขาบอเป็นยังเนี่ยพอเวาตามอุดมการเนี่ยพอเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นตัวเขานี่บปรเดียวเห็นตัวเขานี่ยตัวเขาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่แมนเขาว่าอยู่แล้วเด้พุทธานุพุทธังหมดเลยสามารถสิรัติเทิงหมดเลย ผู้ตัดสัลู่ตามพระพุทธเจ้ามีศิลและทิฏฐิเสมอกัรหนึ่งมีสินคือพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิคือพระพุทธเจ้ามีความเห็นคือพระพุทธเจ้าจริงออกเป็นสาวกพุทธคุณว่ากันอันนี้เขาว่าเขาแต่ว่าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าเป็นทาตของพระธรรมเป็นทาตของพระสงฆ์ท th ่านเขาว่า th กัน th ทําวัดสาวกิเป็นทาตจยังใดขันบัดไปไว้เปิดเผยบนอื่นพุนบนได้ไว้พระพุทธเจ้าจากเธอเนี่ย ไว้พระพุทธเจ้าจึงออกไปทุกแต่ทองคำพุ่นไว้พระธรรมจะไปทูกแต่ตุกกมภีหนังสือพุ่นไว้พระสงฆ์ได้ขันผู้ใดเอาพระเหลืองมาเสากไว้ไปลดบัได้ไว้จริงๆจากเถ้อบัตเนี่พวกเขามาปฏิบัติธรรมันไว้จริงๆกล้าตัวเราจริงๆรินโมตัสสะพระกัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโบเม้นเครื่องรางของขั ง, งไม่ยัง้ง่าพอได้ฝึกมาแล้วอันนี้ฝึกตัวเองสาบมือญาพอฝึก นโมตัสสะพระคัมภโตแปลว่าขอนกนอมวะสันนโมตัสสะ พ, พระคะมภโตอัรลห์ฮโตเมื่อเห็นจะเป็นเห็นเพราว่าโชคดีวะสันเดี๋ยวนี้อรัรลห์ฮโตเปลยนผู้กหญจากกิเลสผลวะสันสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าตัดสรุปเองโดยชอบวะสันเรื่องหอก้าบตัวเปาเป็นแล้วบอกหอกนกเป็นแล้วบอกกล้าให้จังไดไว้ให้จังใดอย่างดีกลับไปกล้าเบนจังขปดิษเนี่ยเนี่ยคอเฮ็ดแล้วเอาหนวกเข้ากับซอก ใส่กันแล้วเอาหัวจู้หลงที่ดินพุ่นกาบเป็นจังคับปฎิบัอันนั้นถูกแล้วดีแล้วเพันว่าเบ็นจังคับปฎิบินะพร้อมด้วยองค์ทางห้าพันวากันกาบให้เป็นนบให้เป็นไหว้ให้เป็นที่มีห้าจังหวะด้วยกันการกราบการไหว้อันนี้เราเอาเองนั่นเนี่ยที่ทุกกับตาราบูทุกกับตารากระบจักเ่ว่านโมตัสสบอกสังสั่งนโมตัสสาวแล้วขอนบนบให้จังไดน้นอมให้จังใดกาดให้จังใด เราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจจริงๆถ้าเรารู้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ต้องหลับหลอมพระพุทธเจ้าจริงๆจึงว่าโบมุดยุคบโหมุดสมัยพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกมิติเห็นมิตสายถ้าปฏิบัติถูกแล้วถ้าปฏิบัติบตบตบโบธุดลกไกยยุศิกาบวซอกแห่งจักเถื่อดังนั้นเขามาปฏิบัติธรรมะครั้งนี้ต้องคุ้นเคียวกันจริงๆเอาจริงเอาจัง เมื่อคนใดเอาจริงเอาจังก็ต้องเห็นจริงเห็นจังโบแมนซิว่ามานั่งอยู่นี่เดินจมกองแล้วใจคิดไปลอยอันพันอยา่างโบเห็นใจเจ้าของคิดจกเทือกอะอันนั่งก็เดินจมกองจนเท้าแตกแกต่บได้เรื่องอย่างไรนั่นโบได้เรื่องหมืนอ น, น, นอย่างแบบนี้เฮ็นอยังรู้สึกตัวแบเนี่ยเอียงซ้ายกะรู้เอียงขวากะรู้ก้มเหนื่อยกะรู้แบบนี้เที่ยวตากะรู้หายใจกะรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมแท้มันคิดแล้วรู้ดิ ก็คงจิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไหวคือพระพุทธเจ้าหรือว่าบอรนี้อันนั้นแบบตัวการปฏิบัติทำแด้แท้นนะ่ะปฏิบัติให้ละเด้กบนนี้นให้หยุดเด็เดี๋ยวนี้เหายหยุดเหายยักดีเหาอยากัอยกมีเกียดตยักมีซื้ออยักมีเสียงเนี่ยมันเข้าใจอย่างสัน่นที่อย่าพอมาให้ข้อคิดเป็นเครื่องตื่นจิตสกิดใจวันนี้ก็เฮโนอาสมควรแกเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้